กาจิธรมิกาธาคดิยเตอิโตปังสดัสสะปะสุโตสิยาติอิมัสสะธรมะปริยายัตสัอโชสาทายสัมันเตหิสักกัจจังธรมโมโซตมโบติณโอกาสนี้จะได้น้อมนำเอาธรรมะ ของสมเด็จพระภูมี พ, าพาาระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงชี้แจงเพื่อเป็ น, นแนวทางทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติธรรมของท่านสาธุชนเป็นลำดับไปในภาสิทธิยกขึ้นบัตรหนึ่งนั้นว่าสัตดัสสะปะสุโตสิยาพึงขวัญขวาย ในเป้าหมายของตนก็หมายถึงว่าให้เราขวัญขวายหรือจะทำสิ่งใดในเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในชีวิตนี้เป็นประเดิมเป็นแรกเป็นเริ่มแรกเราทุกคนผมมีเป้าหมายของชีวิตทั้งนั้นเริ่มตัวในวันนี้เราได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส ที่ทางราชการได้ประกาศอาวันที่13ตุลาคมเป็นวันนวมินมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระเจ้าเป็นดินในรัชกาลที่9ปัจจุบันนี้ได้ ได้นามทรงเสริมพระนามของพระองค์ว่าเป็นสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิผลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษซึ่งเป็นพระชนกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สิบคณะเอนทีและกระทรวงดิจิตน้น เพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดกิจกรรมลำลึกถึงวันเสด็จสู่สวรรค์คารายของพระองค์เมื่อเจ็ดปีที่ผ่านมาแล้วเพื่อให้อยู่ในความทรงจำในฐานะ พวกเราเคารพรักพระ อ, องค์ท่านเหมือนเป็นพ่อหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินเพราะเราเกิดมาเราก็เห็นพระ อ, องค์ครองราชแล้วก็ออกเยี่ยมประชาชนดูแลทุกสุขของปร ะ, ประชาชนตลอดมาในวันนี้นอกจากได้ทําพิธีแล้วก็ทําบุญเลี้ยงพระนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพุทธมนต์การสวดพุทธมนต์ นั่นก็คือมีบทบทที่จะต้องสวดทรบุญเจ็วันทาบุญร้อยวัน ท, า บ, นทาบุญครบในการในการมรณภาพละสังขารหรือสวรรคตพระสงฆ์ก็จะสวดปัระโตปมค า, าถานธรรมนิยามมาสูตรแล้วก็ติลคณดิคาฐานพุทธอุทาน พัทเทกรัตัสูตรแล้วก็มะแล้วก็บทต่างตงบทสุดท้ายก็คือบทที่สวดเกี่ยวกับมาติกาบางสุกุลอีกบทนึ่งนี่คือประวัาการทำบุญครบรอบลํำลึกถึงผู้วายชน กืไม่มีการตั้งหม้อน้ามนต์สวดสวดพุทธมนต์ถ้าเจริญพระพุทธมนต์ก็คือํำให้เจริญก็หมายว่าทำให้เกิดความเจริญแก่บุคคลที่ยังอยู่สวดพระพุทธมนต์ก็สวดเพื่อลาลึกถึงผู้ที่ละจากโลกนี้ไปจากโลกไ ป, ไปสู่โลกหน้าเรียกว่าเปตะภูลิไปคือเปตะชนนั่นเอง เราก็ได้ทำดีแล้ว น, น้นๆบทหนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้นั่นน่ะก็คือความกระตันยูกระตะเบธิตาการรู้คุณบุคคลที่ทำให้แก่เราแล้วตอบแทนเป็นสิ่งที่หาได้ยากเป็นสิ่งที่บุคคลทำทำได้โดยยากเพราะมันละเลยหรือว่าปล่อยหรือว่าเพลินไปเสียไม่ได้ทำ ดังนั้นในวันนี้เราก็ได้ประกอบกระทามาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่เก้าพระองค์มีอะไรหลายอย่างที่แปลตัวพระมหากษัตริย์องค์อื่นๆเรามีพระปิยมหาราชอยู่สองพระองค์คือพระปิยมหาราชรัชกาลที่ห้าในเดือนนี้ วันที่ยี่สิบสามก็วันเป็นเป็นวันปิยมหาราชและวันที่สิบสามเป็นวันณนะนะวะมินมหาราชแล้วส่วนวันที่สิบแปดตุลาคมเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สี่แต่ว่ามันเลยเลยเหตุการณ์ต่างๆ ในขดานทะไถ่ฐานะที่พระองค์ได้บรรพึกชาพสมบทในพระพุทธศาสนาถึงยี่สิบเจ็ดพันสาแล้วก็ทำให้คณะสงฆ์ไทยมีบทบาทมีความรัดกุมทำถูกต้องตามทเทวนิมในทยามพระไตรปิฎกที่วางมาไว้นั้นเป็นแบบฉบับให้นานาชาติได้มาดูได้มาศึกษา ท ร, รมะแล้วก็ศึกษาพระพุทธศาสนาว่าสืบทอดมาแต่โบรณาณการตั้งแต่ครั้งพุทธกาลก็มีอยู่ในประเทศไทยของเรานี้ให้ปรากฏด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าพระองค์เป็นองค์เอกอาคาศาสนูประถรมธรรมุบำลุงพระพุทธศาสนามาตลอดชนชีพของพระองค์ ไ้ในประการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการนั่งสมาธิเข้าถึงขั้นทำสมาธิได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เกิดปัญญาแต่ในลึกๆนั้นบางแห่งท่านก็ว่าพระองค์ปรรถนาพุทธภูมิหรือเป็นพระโพธิสัตว์อันนี้ก็สุดแท้แต่ถ้าหากบุคคลใดปรรถนาเป็นพระโพธิสัตว์ก็จะได้สั่งสมบุญกุศล ยังจะไม่ปฏิบัติทมให้บรรลุเพราะว่าสิ่งกางกั้นคือการอธิษฐานเพื่อต้องการเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการต่อไปเช่นเดียวกับสุเมทะดาบทไม่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านามว่าทีปังกรเมื่อคราวที่พระพุทธเจ้านามว่าทีปังกรเสด็จเสด็จไปสู่เมืองแล้ว สุเมธาดาบทนั้นก็ไปทำทางเพื่อต้อนรับเสด็จแต่ว่าทำไม่ทันจะทำด้วยอิทิลิสนั้นนิดเดียวก็ทำได้แต่ก็ต้องทำด้วยแรงกายแรงวาแรงใจของตัวเองทำไม่ทันก็เลยอธิษฐานอธิษฐานจิตมอบนอนทาาไปบนใบบนที่มันเปลือกเป็นเปลือกตมเป็นโคนตมนั้น ไว้พระพุทธเจ้าจงเหยียบบนหลังนี้เราไปไม่ให้พระองค์ถูกคนตุมพระพุทธเจ้ามาเห็นก็ยืนหยุดอยู่แล้วก็ประกาศว่าสุเมธาดาบทนี้ต่อไปภายหน้าอีกสีอสงไขยก็ได้จัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับเราตถาคตแล้วพระองค์ก็พาสาวกนั้นผ่านไป แต่สุเมธาดาบทไม่ได้เข้าไปฟังธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเมื่อไปฟังธรรมแล้วมันก็กางกั้นเพราะการบัาิธนาหรือตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์สืบไปจนกระทั่งได้ตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าอีกยีสรวมแล้วรวมทั้งสุเมธาดูรวมทั้งพระพุทธเจ้านามว่าถีปังกอถึงยี่ส แพระองค์ยี่สิบเจ็ดพระองค์ที่ทานายทายทักว่าสุเมธาดาบทจะได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าจนกรทั่งมาถึงาศาสนาของพระองค์ได้เสด็จอุบัติขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราที่นามว่าโคโดมเนี่ยเนี่ยความเป็นมาอย่างนี้เพราะนั้นเราเกิดมาในาศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่บ้าไม่ไบ่ไม่ไมนว่ไม่บอดไม่เสียจริตไม่ผิดมนุษย์ ก็จงตั้งใจตามเป้าหมายดังดังพุทธภาษิตบทหนึ่งที่ยกเป็นนิเคประบทเบื้องต้นนั้นว่าสดัดสระปะสุโตสิยาพึงขวัญขวายในเป้าหมายของตอนนั่นเถิดเรามีเป้าหมายอะไรเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วเป้าหมายของเราก็คืออยู่ดีมีสุขในโลกนี้ชั่วชีวิตของเรา อย่าให้ผิดศีลธรรมให้ประพฤติได้ให้ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือให้เรานั้นได้ประกอบทานศีลเจริญเมตตาภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าศีลสมาธิและปัญญาเพื่อพัฒนาตัวเราเองให้กลายเป็นบุคคลที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์สง มนุษย์โศก็คือพรั่งพร้อมไปด้วยศีลและกรรมบทศีลห้าและกรรมบทชสิบประการแล้วว่ามนุษย์ธรรมมนุษย์ธรรมก็มีศีลห้าและกรรมบทชสิบประการศีลห้าที่เราได้สมาทานไปแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นศีลของมนุษย์ของเราที่จะถือประพฤติปฏิบัติแม้พระพุทธเจ้าไม่เสด็จไม่ตัดไม่เสด็จมาตัดสรู้ในกับใดก็ตาม คนทั้งหลายที่เกิดมาถ้ามีศีลธรรมหรือว่าสืบทอดมาจากการที่ได้ประพฤติปฏิบัติในศาสนาก่อนไปเกิดในสวรรค์หมดจะบุญจากสวรรค์มาเกิดก็ยังมีคุณธรรมนั้นติดตามมาก็ได้ถือประพฤติปฏิบัติก็เรียกวัดศีลนั่นเองเนี่ยมีศีลห้ากรรมบท10สิบประการก็ากายกรรมสามวจีกรรมสีมโนกรรมสามก็คืออยู่ในศีลห้านั่นแหละ จึงเรียกว่ามนุษย์ธรรมแต่ทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์เราเพิ่มคุณธรรมเข้ามาอีกคือหิริและโอตปะคอยลิความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวไม่กล้ากระทำบาปทั้งในที่รับและที่แจ้งเราก็กลายเป็นเทวะเราก็กลายเป็นมนุษย์ สเทโวคือมนุษย์เทวดาเพราะมีเทวธรรมประจำจิตเข้ามาอีกนอกจากมีศีลห้ากรรมบุตรสิบประการแล้วยังมีหิลิและโอต ป, ปะอยู่เราก็ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์สเทโวสูงกว่ามนุษย์โศขึ้นไปอีกอย่างนี้นี่แหละคือการดำเนินในความเป็นมนุษย์ของเรากระแสจิตของเราเข้ามา อยู่ในสภาพร่างกายอันนี้จิตเป็นตัวรู้จิตนั้นมันเป็นคลื่นมันเป็นเหมือนคลื่นมันสัมผัสมันสัมผัสได้แต่มองไม่เห็นเช่นเดียวกับคลื่นเสียงคลื่นภาพพวกเราอยู่ในการที่จะทำระบบการสื่อสารอยู่นี้เราก็คงรู้ดีว่ามันคลื่นแรงหรือคลื่นไม่แรงเราก็จะรู้ เพราะนั้นกระแสจิตของเรานี้ก็เหมือนคลื่นนี้เองแต่มันคลื่นที่ละเอียดตรงไปกว่านั้นเราจะเห็นได้ด้วยการที่เรามานั่งภาวนาปฏิบัติธรรมดังนั้นในการภาวนาและปฏิบัติธรรมนั้นเราอะไรเป็นเป็นตัวตั้งสมเด็จพระ ส, มรสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทําอะไรรูปแบบอะไรมากนะักไม่ต้องมีพิธีการอะไรมาก พิธีการต่างๆนั้นเป็นแต่เพียงให้คนหมู่มากนั้นได้เข้าใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามกันมันจะได้เป็นระเบียบเป็นแบบเป็นแผนไม่ไม่ใช่ต่างคนต่างทําเป็นลักษณะอย่างนั้นจึงว่าระเบียบได้แบบแผนหรือว่ า, าศาสนพิธีหรือพิธีกรรมที่เราก็ทํากันให้เป็นต้นให้บุคคลเป็นจํานวนมากอยู่ในระบบ อยู่ในภาวะการอันเดียวกันเนี่ยที่อย่างที่เราได้กระทำมาแล้วนั้นทุกคนก็นั่งเป็นระเบียดอยู่ด้วยความพร้อมเพียงกันด้วยความสงบแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆมันก็สำเร็จลุล่วงไปโดยมีพิธีกรมีผู้นำอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เข้าใจแล้วว่า ในชีวิตของเรานี่เราจะทำอะไรเราจะพึงประสงค์อะไรเราก็จงจงพึงที่พึงขวัญขวายในเป้าหมายที่เราตั้งไว้เป้าหมายของเราคือคือศีลสมาธิและปัญญาเพื่อความที่เราจะดำเนินไปสู่ความหลุดพ้น ไม่ต้องมาเวียนไหว้ตายเกิดอีกตามหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการเวียนไหว้ตายเกิดมันยาวนานและมันไกลเหลือเกินมันมันยาวมากเหลือเกินมันไม่สั้นเลยยาวที่สุดจนรลังนับประมาณไม่ได้ส่วนสั้นที่สุดนั้นคือลมหายใจลมหายใจของเราสั้นมากหายใจเข้าหายใจออกถ้าไม่หายใจก็ตายได้ทันที แล้วใกล้ตัวเราที่สุดก็คือความตายเพราะมันอยู่ใกล้ใกล้ที่สุดเมื่อเราลางทํามลมหายใจของเราที่มันสั้นอยู่แล้วนี้ให้มันหยุดเสียมันก็ตายได้ทันทีเนี่ยธรรมะคาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบให้เราได้เห็นทีเนี้ยไกลที่สุดเนินเนินนานที่สุดก็คือสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิด เมื่อเรามาคิดดูแล้วมันก็ น, น่าวาดเสียวเหมือนกันเราเป็นมนุษย์ปรารธนาไปสู่สวรรค์เมื่อเรายังไม่ได้ธรรมะชั้นสูงเรายังได้ธรรมะที่คลุกคลีอยู่กับโลกโลกอยู่ยังมีโลภมีโกรธมีหลงยังมีความต้องการยังมีราคะตัณหายังมีความไฝฝันอันใดอยู่เนี่ยดังนั้นภาษิตบทที่ว่าสัสสะปัสสุตโตสยา พึงขวัญขวายในสิ่งในในในในเป้าหมายที่ตัวเองต้องการนั่นเป้าหมายของเราก็ต้องการเป็นคนดีในสังคมอยู่ดีมีสุขในโลกปัจจุบันนี้โดยไม่ขัดสนจนอับโดยมีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่ด้วยความพาสุขมีชื่อปรากฏมียศเลื่องนามตามอัตภาพ ไม่ทะเยอทยานจนเกินไปจนรทัให้เรานั้นลำบากยากเข็นอยู่พอเพียงอย่างนี้เรียกว่าเป้าหมายในชีวิตที่เราจะดําเนินไปแต่นี้ในเป้าหมายในสัมปรายิกาภพก็คือสร้างสร้างภพที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในทางที่ดีพระพุทธเจ้าเชื้อตัดสอนถึงอนุบุพิกาถาว่าหนึ่งให้ทาน เม Monate, um, ื่อเราให้ทานแล้วก็สมาทานศีลเมื่อเราได้ให้ทานกับสมาทานศีลแล้วทำให้เราไปเกิดในสวรรค์สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกสัมปทานซีเลนะสุขติงยันติก็ทำให้เราไปเกิดในโลกสวรรค์สีเลนะโภกสัมปทานก็ทำให้เราถึงพร้อมได้โผข้าสมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่เกิดแล้วและเกิดแล้วแล้วก็ หลังจากนั้นก็ด้วยศีลนะศีเลนะโภ็สัมระานะั้นโดยเฉพาะสะ์นั้นเราต้องทำศีลของเราให้บริสุทธิ์ให้หมดจดก็จะเข้าถึงนิพพานเข้าถึงการไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปสู่บร ม, มสุขคือไม่ต้องใช้กระแสจิตหรือตัวจิตของเรานั้นเวียนว่ายตายเกิด เมื่อเราไปเกิดในสวรรค์หากเราไม่มีภาวะธรรมไม่มีคุณธรรมไม่มีมโนธรรมอะไรเป็นภาวะธรรมภาวะธรรมเกิดขึ้นจากที่เราได้จากสมาธิทีนี้สมาธิคืออะไรสมาธิคือความนิ่งความสงบของจิตใจความที่จิตมีอารมณ์เดียวทำอย่างไรจึงจะให้เกิดสมาธิ แล้วก็มีขั้นตอนในการถือปฏิบัติโดยการที่เราเจริญอาณาปานุสติบ้างแล้วเจริญพุทธานุสติเจริญจนถึงมรณ า, านุสติบ้างหลวงปู่เสาท่านจะเจริญอาลักษะกรรมฐานอยู่ตลอดชนชีพของท่านที่ีนเจริญอาลักษะกรรมฐานนั้นมีอะไรบ้างบทแรกคือพุทธานุสติ ท่านจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพร้อมด้วยพระริยาสง์อยู่ตลอดเวลาดังที่เราได้สวดพุทธคุณธรรมคุณอนุสตินะั้นพุทธานุสติธรรมานุสตินะั่นอิติปิโส บ, บิมิโสปะขวาสว่าขาโตสุปฏิปันโนที่เราสวดอยู่ตลอดนี่แหละบางทีเราก็จําได้จําไม่ได้ดูความหมายไม่รู้ความหมายแต่ได้สวดด้วยความศรัทธา ก็จะทำให้ภาวะพลังแห่งบุญพลังพลังแห่งการสั่งสมของเราเพิ่มขึ้นนี่และ ว, ว่าจเจริญพุทธานุสติต่อ น, นั้นก็แผ่เมตตาในท้ายของธรรมวัชชาวัดเย็นก็จะมีการแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจนกระตั้งแผ่เมตตาให้แก่ตน อาหางสุขิโตโหมีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนะแผ่เมตตาแก่สษษรรพสัตว์สัเพสตาสถาโฮนตุอเวลาสุขชีวินโนกระตังพุนยังพลังไม่หังสัเพพาคีพระวันตุเตนี่ก็การแผ่เมตตาด้วยเป็นภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาสากลของจักรวาลของภพชาติพระบุรีเจ้าสอน ชุมชนด้วยภาษาบาลีหรือภาษามาคตนี้ทั้งเทวดาและมนุษย์ก็จะเข้าใจในจุดนั้นในครั้งพุทธกาลนนท์เราจึงใช้ภาษาบาลีสืบมาแล้วต่อแต่มาพิจา ร, าจารณาอสุภกรรมฐานก็มาพิจารณากายของเรากายที่สกลากายที่รวมตัวเป็นตัวเป็นตนมีหนึ่งมีหนึ่งหัวส อ, ส, อสองแขนสองแขนสองเท้า รวมเป็นปัจจาสาขาคือห้าประการที่มันเป็นตัวเป็นตนของเราอยู่นี้อันนี้เ็าเรียกว่าธาตุขันเรามาพิจารณาธาตุขันเพื่อเพื่อที่จะเจาะลึกไปให้เข้าถึงปัญญาปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นการขบคิดการพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลอยู่ในกรอบอันนี้มันก็จะทำให้เรานั้นเข้าใจในหลักเกณฑ์ว่า สังขารทั้งหลายนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เที่ยงก็คือมันผัดเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาวัยเด็กเราถ่ายรูปเป็นอย่างหนึ่งวัยรุ่นเราถ่ายรูปก็อีกแบบหนึ่งวัยหนุ่มและวัยสาวเขาเรียกว่าเจริญเต็มตัวเจริญวัยเต็มตัวก็สะสวยงดงามเป่งปังต่อมาก็วัยกลางคนก็จะก็มีความสุดโทมไปบ้าง วัยชราก็เห็นชุดสุดโซมได้อย่างแท้จริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้เขาแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกทุกเพราะการบริหารจะต้องบริหารร่างกายจะต้องเดินจะต้องออกกำลังกายจะต้องบริโภคอาหารจะต้องทำงานจะต้องไปโน่นมานี่เดินไปเดินมาอยู่อย่างนี้คือการบริหารร่างกายแต่มันเป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะสภาวะของจิต นี่ตลอดจนประสาทอัตโนมัติตลอดจนมโนมโนใหม่มโ น, มมนจิตของเรามันคิดมันทําของมันไปเองมันเป็นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกเป็นทุกข์ก็ทําให้เราเป็นทุกข์ที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเร า, บ, ารบังคับไม่ได้มันจะเป็นเป็นของมันเองเราต้องการให้เป็นอย่างนี้มันก็เป็นไ ม, ไม่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นทั้งจึงไม่พิจารณาจุดนี้ จุดภาวะไม่เที่ยงเป็นทุตเป็นเป็นอนัตตาซึ่งมันเป็นสามัญลักษณะให้พิจารณาจุดนี้ให้เห็นตามเป็นจริงเราก็จะเห็นว่าโอ้ร่างกายมันเป็นอย่างนี้ตายไปแล้วก็ไม่มีใครร่างกายไปด้วยยังเป็นภาระให้บุคคลที่ยังอยู่เบื้องหลังนี้จะต้องทำชาปนกิจให้เราก็ไปของเราได้แตะดวงจิตกันไปแล้วเป็นเป็นคลื่นเป็นสื่อออกไปแล้ว ก็ไปหาพบก่อพบก่อชาติใหม่เป็นกายโปร่งใสไปอย่าง น, น้นเพราะนั้นเราจึงเราจึงมาพิจารณาสังขารร่างกายในแต่ต้องภาวนาให้จิตของเราสงบจิตของเรานิ่งซะก่อนพิจารณาจิตของเราเพียงพารณาจิตให้สงบความสงบมันก็จะเกิดขึ้นอาศัยคําบริกรรมคําบริกรรม เราจะเจริญอาณาปานสติก็กำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกพร้อมทั้งพุทธคุณาหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโธอย่างนี้มันก็จะทำให้เรานั้นมีจิตก็ดีสติก็ดีจดจ่อจดจ้องอยู่กับคำบริกรรมหรือการกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกไม่ เสสสายเป็นที่อื่นปิดอารมณ์ภายนอกไม่เข้ามาจิตมันก็จะดิ่งลงสู่ฐานคือความสงบเมื่อจิตมันลงไปสู่ฐานด้วยความสงบก็จะปรากฏเขาเรียกว่าภาวะธรรมเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นมีอะไรบ้างหนึ่งกายเบาสองกายหนักเหมือนมันเก่งทั้งตัวก็มีเนืออมันตัวของเรามันใหญ่ขึ้น ธรรมกายเบานะเหมือนมันจะลอยขึ้นแล้วก็เกิดความสุขผาสุขขึ้นดวงจิตสบายดวงจิตเบิกบานดวงจิตแช่มชื่นดวงจิตมันตื่นไม่หดถูตื่นพร้อมที่จะพัฒนาเป็นปัญญาอันนี้เ็าเรียกว่าจิตสงบมันนิ่งสบายอยู่นั่นแนหะแต่ทุกคนนะถ้าทำมาจริงจังเข้าไปก็จะเข้าถึง เราตั้งใจที่จะบริกรรมบทได้บทหนึ่งจนกระทั่งมันจิตมันรวมลงมันก็จะไปสู่อาการปิติเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นอย่างนี้เขาแล้วสัมผัสได้สมาธิแล้วเป็นอุปจารสมาธิแต่เราทาแล้วหยุดทำแล้วหยุ ด, ยดมันก็จะได้หยุดแค่นั้นแต่เราทำต่อเนื่องพยายาม บ่มเพาะให้มันแน่นขึ้นมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆต่อจากนั้นก็พัฒนาทางปัญญาทีนี้เอาแต่ความนึกคิดพิจารณาปัญญาลดละลดละและปล่อยวางคําว่าลดละลดละทิฐิมานะลดละความอยากลดละความต่างต่างอรูณ์สิ่งต่างๆที่มันเข้ามากุ้มกลุมจิตใจให้เราเล่นตามมันไป เราจะอยู่ในหลักของธรรมะแต่ว่าการที่เราจะดำเนินชีวิตของเราที่อยู่ในโลกมนุษย์นี้มันก็ต้องมีอยู่มีกินหาอาหารการกินหาทรัพย์สินเงินทองเพื่อจุนเจือตัวเราเองและครอบครัวในฐานะที่เรามีครอบครัวอยู่เพราะในโลกอันนี้เรามี เรามีเป็นครอบเป็นครัวมีทั้งพ่อมีทั้งแม่มีทั้งสามีปัญญามีบุตรทีดาามันก็ต้องเกิดมาอย่างนี้เพราะในโลกทาตอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนขิหิปฏิบัติ ให้บุคคลผู้ที่อยู่ครองเรือนเขาก็มีครูปนั้นได้ถือประพฤติปฏิบัติก็ดังที่กล่าวมานั่นแหละว่ามนุษย์ธรรมก็มีศีลห้าและกรรมบทตริประการเทวธรรมก็พร้อมเข้าไปได้ให้หลิโอตปะส่วนผู้ที่ละออกจากเย่าเรือนไปบปรรพชาประสมบท หรือว่าออกไปหาวิเวกนั้นเป็นอีกจุดหนึ่งเป็นผู้ไม่มีเรือนออกไปสแสวงหานั้นส่วนหนึ่งแต่ผู้ที่ครองเรือนก็ต้องมีขีหิปฏิบัติก็คือประพฤติปฏิบัติตามแนวอยู่ในกรอบเนี่ยมันก็จะดำเนินไปสู่ความถูกต้องดังนั้นเราขวนขวายเป้าหมายของเราเพื่อให้เข้าถึงธรรมเพื่อให้เข้าถึงจุดในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนาไม่บ้าไม่ไบ่ไม่หนวกไม่บอดไม่เสียจริตไม่ผิดบรุษย์ก็ควรจะบำเพ็ญบุญทางใจของเรานี้ให้เข้าถึงจุด้การเราให้ทานและสมาทานสีนั้นอย่างไรเราก็ไปสู่โลกสวรรค์แต่ทีนี้ถ้าเรามาบ ำ, บำเพ็ญสติมายังสติของเรากาหนดจดจอ่อจดจ้องอยู่ที่อารมณ์ ที่จะให้เกิดเป็นอารมณ์กรรมฐานให้จิตเข้าไปของเราสงบไปสู่ธรรมสมถะกรรมฐา น, รรานและวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานทําจิตของเราให้นิ่งให้สงบวิปัสสนากรรมฐานนะั้นทปัญญาของเราให้เกิดขึ้นเมื่อจิตมันสงบแล้วปัญญามันก็จะเกิดขึ้นที่จุดนั้นทีนี้มันไม่มีปัญญาเกิดขึ้นแล้วตัวนี้แหละ มันจะเป็นสิ่งกระตุ้นเขาเรียกว่ามโนธรรมดังนั้นใจดีใจดีก็มีสตินี่มันมีอยู่สติแล้วต้องต้องตัง้ตงไว้เพราะมันมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นเข้าไปสู่คุณธรรมอีกหลากหลายสติตัวนี้สติปฐานสี่ที่จะดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ หลังจากที่เราได้ภาวนาบำเพ็ญปฏิบัติธรรมเราจะต้องบ่มอินทรีย์ของเรานี้ให้มันให้มันแก่กล้าขึ้นมาอินทรีย์ทั้งห้าประการก็มีสติเป็นตัวตั้งเมื่อมีสติตั้งมั่นสมาธิก็เกิดปัญญาก็เกิดตามขึ้นมาเมื่อสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้ว ก็จะต้องพัฒนาวิริยะของเราให้มั่นคงแล้วก็พิจารณาแล้วก็พยายามดึงศรัทธาของเรามาให้เกิดศรัทธาในการปฏิบัติ มีศรัทธาในการมีความภาคเพียรพยายามเมื่อใน ม, มีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วมันจะเราใจให้เกิดให้เกิดวิริยะความภาคเพียรพยายามและให้เกิดศรัทธาเพราะมันมองเห็นภาวะธรรมเกิดขึ้นในดวงจิตอยู่แล้วมันก็เกิดศรัทธาใคร้ที่จะให้มันปรากฏยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกอย่างนี้นั่นเองจึงเรียกว่าเมื่อมีสติแล้วทำอีกสี่ประการก็คือศรัทธาวิริยะ สมาธิและปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมาบ่มเพราะ อินทรีย์ของตัวเองให้แก่กล้าเมื่อจะพิจารณาสติปัฏฐานสี่พิจารณากายเวทนาจิตธรรมมันก็แผลบเดียวมันก็จะเกิดขึ้นแต่นั้นมันเพราะมันมีปัญญาแล้วมันก็จะพัฒนาตัวเราเองอันนี้เองที่จะต้องการที่ให้พวกเราทั้งหลายได้ถือบัพติปฏิบัติกันใครจะได้น้อยได้มากนั้นไม่เป็นปัญหาแต่ค่อยทําไปเถอะเพื่อเป็นการสร้างวาสนาบารมีของเราไม่ให้เป็นคนด้อยวาสนาดังเช่นที่สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า พระองค์ได้ตัดไปว่าสิ่งสีประการนี้บานไม่ทำแล้วคุณธรรมของเราตัดหคตไม่ไม่ไม่เข้าไปอย่างถึงไม่เข้าไปอย่าง เพราะว่าเข้าไปอย่างถึงแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะมันเป็นของแต่ใครแต่ใครก็คือกรรมดังที่ได้กล่าวไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อตอนเช้านี่เรื่องกรรมคือกรรมที่เราสั่งสมมาเป็นกรรมดีกรรมชั่วที่เราสั่งสมมานั้นมันให้ผลไปมันก็ให้ผลของมันไปเองเราทำกรรมดีในวันนี้คือรัฐวิกรมกรณียกิจในการลํำลึกถึงการที่พระบาทพระสมเด็จพระชนะากาี่เบดได้ สวรรอนาคตไปนะั้นเราทำกรรม น, นีใช้กรรมกันไปแล้วรู้ล่วงไปด้วยดีการที่เรามีความกังวลอยู่ก็หายไปหมดไปเพราะสำเร็จไปแล้วกรรมอ น, นั้นมันใช้กันสำเร็จไปแล้วที่เรามีความกังวลก็หายกังวลไปนะั่นแปลว่าใช้กรรมหมดไปแล้วก็มมันก็ผ่านไปแล้วทีเนี้ยกรรมใหม่ตามเข้ามาเราก็จะต้องทำอีกมันก็เกิดขึ้นมาอีก ดังนั้นเราพยายามทำกรรมดีเมื่อเรามีสติปัญญาก็พัฒนากรรมที่กรรมดีมันก็จะกลายเป็นกรรมดีให้แก่ตนเองพระพุทธเจ้าก็เป็นแต่เพียงผู้ให้หรือประกาศแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจแล้วเราทำเองพัฒนาปัญญาก็คือพิจารณาเนี่ย เมื่อเรามีสมาธิเกิดปัญญาแล้วนําปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากสมาธินะให้วกมาพิจารณาสังขารร่างกายมาพิจารณาลมของเราก็ได้พิจารณาลมหายใจที่เราจะเลื่ออาณาปานุสติกเข้าไปนะ่ะหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวแล้วหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวต่อมากองหายใจปกติโดยบริกรรมพุทหายใจเข้าโทรหายใจออก แล้วก็ต่อแต่นั้นมาก็มีภาวะธรรมเกิดมาทำให้เรานิ่งเพ่งลงไปมันก็จะบอกมันจะเป็นชวัฒนจิตเข้ามาให้เราเพ่งลงไปในในจุดใดจุดหนึ่งเมื่อเกิดภาวะนิ่งเมื่อเกิดภาวะนิ่งก็เกิดความปิติยินดีอะไรเกิดเกิดเกิดขึ้นภาวะธรรมนี่เรียกว่าภาวะธรรมแล้วต่อไปก็เป็นปิติธรรมจากปิติธรรมขึ้นมาก็เป็นมโนธรรม สำเนียกสำนึกละลึกอยู่ในตัวของเราแล้วละลึกอยู่เสมอว่าคุณธรรมอันนี้ก็จิตตัวตามตนเราไปสู่บาราโลกข้ามภพข้ามชาติอยู่อย่างนี้ดังนั้นเมื่อเราไปสู่สวรรค์เราหมดบุญจากสวรรค์นะครับจะจุติจากโลกสวรรค์ลงมา อาสนกรรมตัวนี้คือสติก็ไปกระตุ้นเตือนให้เกิดอาสนกรรมในทางที่ดีพราคารุกรรมและก็อาสนกรรมมันจะตามเข้ามาคารุกรรมใครทําบุญแต่ว่าเราเราใช้บุญไปหมดแล้วพอได้เกิดในสวรรค์มันหมดบุญแล้วก็มีแต่บาปทีนี้บาปที่เราสั่งสมไมื่ก่อนมันก็ตามเข้ามาให้ผลได้เวลาเขาที่จะให้ผลตามเข้ามาถ้ า, าเราเราไม่มี เราไม่มีมโนธรรมคือไม่มีสติสัมปชัญญะที่เราจะละลึกถึงอาสนกรรมในทางดีทางทางชอบของเราที่เราได้กระทํางไปนี้ถ้ามันไม่มีอันนี้มันก็จะอกุศลกรรมก็เข้ามาย่ำยีบีดาก็ทําให้เราลงไปสู่นรกเพราะว่าจากที่สูงมันก็ลงไปสู่ที่ต่ําแต่ถ้าหากเรามีสติสัมปชัญญะได้ฝึกสมาธิของเราอย่างน้อยที่สุดก็สัมผัสกับความสงบสัมผัสกับ จิตที่มันนิ่งแล้วสบายใจเกิดภาวะธรรมขึ้นมานี้ก็อาจจะเป็นสาระกรรมในทางที่ดีเวลาใกล้จะจุติก็ทําให้เราลึกเมื่อเราลึกถึงปับ๊บเราก็จะอ้อเราก็ต้องมาเกิดมนุษย์โลกจิตมันก็จะมุ่งมาสู่มนุษสโลกก็ทําให้เราลงมาเกิดมนุษย์โลกก็อบายก็ไม่ลงไปถ้าลงไปอบายเราเป็นกลับเป็นกรรมเป็นพุทธันดรเป็นบุรุูกกี่กับกี่อะไรมากพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วไม่กี่กี่กับ ไม่ว่าพัทธกับไม่ว่าสาระกับไม่ว่ามันลกับผ่านไปก็ทําให้เราดักดานอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์พรพนวุทธศาสนาแล้วก็ควรเร่งรีบประพฤติปฏิบัติอย่าประมาททาตามกําลังของตัวเองทําไปไม่หยุดตลอดชีพของเราก็อาจจะดีได้ก็อาจจะเข้าถึงธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยไม่ต้องสงสัยก็ด้วยการภาวนานี่แหละเพราะฉะนั้น ในระยะต่อไปนี้ในฐานะที่เราได้มาบำเพ็ญกุศลลำลึกถึงในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระชนากาศทิเบตมหาอุรุญเดชมหาราชบรมนาศบพิษที่เราได้กระทำไปแล้วนี้อีกเวลาประมาณไม่กี่นาทีจากนี้ไปก็ <obscure. S 2> ค่ขอให้ท่านในจงนั่งภาวนาปฏิบัติธรรมแล้วอธิษฐานจิต เอาบุญกุศลทางกายทางวาจาทางใจที่เราได้ประกอบกรรม น, นี้อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระชนาการิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษในเวลาอีกประมาณทักสิบนาทีนี้โดยกระเจริญอาณาปานุสติด้วยการนับหายใจเข้ายาว หายใจออกยาวนับหนึ่งไม่ต้องไปคิดอะไรเพราะว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนับสองหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนับสามไปเรื่อยๆนับไปได้ร้อยครั้งก็จะได้สิบก็จะได้สิบนาทีนจากนี้ไปก็นั้นก็ขอให้ท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายจงนั่งปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ที่เราได้ทํากิจกรรมมาแล้วนั้นคือกําหนดลมหายใจหายใจเข้ายาวๆเสียก่อนแล้วก็หายใจออกยาวเรานับหนึ่งหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนับสองถ้าคนเคยผัพฤติเคยกําหนดลมหายใจเข้าออกหรือเคยจเจริญ การภาวนาปฏิบัติธรรมแล้วจิตมันก็จะดิ่งไปสู่ความสงบได้โดยง่ายได้เดี๋ยบางบางท่านก็จะหายใจปกติหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทยอยู่อย่างนี้ก็หายใจปกติไม่ต้องไปเร่งแต่หายใจยาวนั้นเพื่อเป็นยืดลมแล้วเข้าไปสู่ร่างกายของเราได้เต็มที่ แล้วก็ผ่อนลมออกมันจะออกของมันเองเมื่อเราดึงลมเข้าไปในร่างกายของเราได้เต็มที่ได้มากเวลาปล่อยออกมาก็ปล่อยออกมาเรื่อยๆให้มันออกเองเรานับหนึ่งนับสองนับสามไปเรื่อยๆ อ, อันนี้ก็เป็นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ ที่ได้เสด็จสู่สวรรค์คาไรายไปแล้วในฐานะที่เป็นพ่อหลวงที่เราเคารพเราเทิดทูนระลึกถึงบุญระลึกถึงคุณที่พระ อ, องค์ได้ทําไว้ในแผ่นดินนี้แม้กระทั่งการปัสสุสัตว์ไม่ว่าอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่เราบริโภคอยู่ในที่เรียกว่าปานินเป็นกษัตริย์ พระเจ้าจักรพรรดิญี่ปุ่นได้นำมาถวายพระองค์แล้วก็ทำให้เกิดมีแพร่พันออกมาให้ประชาชนได้ใช้ไได้รับผลประโยชน์ไปทั่วประเทศอยู่ทุกวันนี้ปานินเนี่ยเพราะนั้นตอนนี้ไปก็ให้ตั้งใจบําเพ็ญภาวานาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวในการนี้ก็จะทำให้เรานั้นมีสติสติของเราก็จะตั้งมั่นตั้งมั่นที่ใดเรากำหนดไว้ที่ใดที่ปลายจมูกมันก็ตั้งมั่นอยู่ที่นั้นพอเราจะกำหนดลมหายใจปรับสติมาทันทีตั้งมั่นอยู่ที่ปลายจมูกตั้งมั่นแล้วก็มั่นคงมันมั่นคงอยู่ที่ใดมันมั่นคงก็เมื่อเราเผลอไป ถอนหายใจเข้ามาหายใจแรงๆภาวะธรรมคือสติมาทันทีเพราะมันมั่นคงแล้วทีนี้คงที่มันก็คงที่อยู่ที่เดิมเมื่อเราทำให้ตั้งมั่นได้มันก็มั่นคงแล้วก็คงที่มันก็จะตามมาจิตก็ลักษณะเดียวกันมั่นคงคงที่มันก็จะตามเข้ามาเพราะว่าสติเป็นอาการมาจากจิตนั่นเอง ขอให้ท่านลำลึกอยู่สักระยะหนึ่งก่อนที่จะหมดเวลาหาตอนนี้ไปก็ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญธรรมสวนาใหม่ บุญสำเร็จด้วยการสดัตับฝั่งพระธรรมเทศสนาในบาตรในคาถาบาตรหนึ่งว่าสดัดสัปะสุโตสิยาพึงขวัญขวายในเป้าหมายของตนเองนั่นเถิดเรามีเป้าหมายอันใดในชีวิตของเราไปในทางที่ถูกที่ดี ไม่ผิดทั้งทางคดีโลกและคดีธรรมก็จงดำเนินไปตามความปรารถนาขอตามความปรารถนาของเราของท่านแล้วตั้งกิจอธิษฐานอธิษฐานก็คือกาวให้เกิดพลังให้เกิดพลังขึ้นกับตัวเราว่าอธิษฐานขอให้ขาไปเจ้าได้ดำเนินอยู่อย่างนี้ได้เป็นอยู่อย่างนี้แล้วเราปฏิบัติ ด, ด้วยต่อไปก็เป็นอธิษฐานธรรม ขอให้คุณธรรมเกิดขึ้นกับตัวเราก่อต่อไปก็เป็นอธิฐานบา ร, รมีบำเพ็ญอธิฐานบา ร, รมีสั่งสมบุญบา ร, รมีไปจากอธิฐานบา ร, รมีก็เป็นสัตว์เกิดสัจจะบา ร, รมีตามมาจากสักจจะบา ร, รมีก็เกิด วิริยะบารมีและขันติบารมีตามเข้ามาแรงอธิษฐานตัวเดียวนี้เพราะฉะนั้นเป้าหมายของเรามีอย่างไรก็จงดำเนินไปถูกในที่สุดแห่งการเก่าธรรมนี้ขอรัตนาคุณพษษระศีลรัตนไตรคือพระพุทธพระธรรมและพระยะสงฆ์จงอภิบาลรักษาท่านสาธุชนผู้บำเพ็ญบุญทั้งหลายและอยู่ในสถานที่นี้จงให้ได้รับความสุขความเจริญปานาสิ่งใด เป็นประโยชน์อันหาโทษไม่ได้ขอความปรารถนาเหล่านั้น จงสาเร็จจงสาเร็จและจงสาเร็จด้วยพุทธานุภาพด้วยธรรมานุภาพด้วยสังขานุภาพด้วยบุญญาณุภาพด้วยเทวตานุภาพและด้วยบา ร, รมีธรรมและคุณธรรมของบุรพาจารย์ทั้งหลายจงสาเร็จแก่ท่านตลอดกาลนานดังที่แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการลันี้ <c oughs>